บทบาทของสติในกระบวนการพัฒนาปัญญาหรือการกำจัดอาสวะกิเลสอัปมาทะคือความไม่ประมาทนั้นหมายถึงการมีชีวิตอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือการมีสติอยู่เสมอในการครองชีวิตอัปมาทะเป็นตัวการทาให้ระมัดระวังตัวป้องกันไม่ให้พลาดตกไปในทางชั่ว หรือเสื่อมคอยยับยั้งเตือนไม่ให้เพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงสยบอยู่คอยกระตุน้นไม่ให้หยุดอยู่กับที่และคอยเร่งเรา้าให้ขมักขม้นที่จะเดินรถหน้าอยู่เรื่อยไปทำให้สานึกในหน้าที่อยู่เสมอโดยตรหนักถึงสิ่งควรทาและไม่ควรทาทาแล้วและอย่างไม่ได้ทาและช่วยให้ทำการต่างๆด้วยความรอบคอบจึงเป็นองค์ธรรมสาคัญยิ่ง ในระบบจริยธรรมดังได้กล่าวแล้วอย่างไรก็ดีความสำคัญของอัปปมาทะนั้นเห็นได้ว่าเป็นเรื่องจริยธรรมในวงกว้างเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติทั่วๆไปของชีวิตกำหนดคร่าวๆตั้งแต่ระดับศีลถึงสมาธิในระดับนี้สติทำหน้าที่แทรกแซงผัวพันและพ่วงกันไปกับองค์ธรรมอื่นๆเป็นอันมาก โดยเฉพาะจะมีวายามะหรือความเพียรพวบอยู่ด้วยเสมอครั้นจำกัดการพิจารณาแคบเข้ามากล่าวเฉพาะการดําเนินของจิตในกระบวนการพัฒนาปัญญาหรือการใช้ปัญญาชําระล้างภายในดวงจิตอัปมาทะกลายเป็นตัววิ่งเต้นที่คลอยเร่งเร้าอยู่ในวงนอกเมื่อถึงขั้นนี้การพิจารณาจํากัดวงขอบเขตจำเพาะเข้ามา เป็นเรื่องกระบวนการทำงานในจิตใจและแยกแยะรายละเอียดซอยทีออกวิเคราะห์เป็นขณะขณะในระดับนี้เองที่สติทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่และเด่นชัดกลายเป็นตัวแสดงที่มีบทบาทสำคัญที่เรียกโดยชื่อของมันเองความหมายที่แท้จำเพาะของตัวสติอาจเข้าใจได้จากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของสติในกรณีที่มีบทบาทของมันเอง แยกจากองค์ทมอื่นๆอย่างเด่นชัดเช่นในข้อปฏิบัติที่เรียกว่าสติปัฏฐานเป็นต้นในกรณีเช่นนี้พอจะสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของสติได้ดังนี้ลักษณะการทำงานโดยทั่วไปของสตินั้นคือการไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไม่ปล่อยอารมณ์ให้ผ่านเรื่อยเปื่อยไปหรือไม่ปล่อยให้ความลึกคิดฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆแค่คอยเฝ้าระวัง เหมือนจับตาดูอารมณ์ที่ผ่านมาแต่ละอย่างมุ่งหน้าเข้าหาอารมณ์นั้นๆัเมื่อต้องการกำหนดอารมณ์ใดก็เข้าจับดูติดๆไปไม่ยอมให้คลาดหายคือนึกถึงหรือระลึกไว้เสมอไม่ยอมให้หลงลืมจะเห็นได้ว่าสติไม่ได้มีความหมายตรงกับความจำทีเดียวแต่การระลึกได้จำได้ที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า recollection หรือ remembrance ซึ่งเป็นอาการแสดงออกของความจำก็เป็นความหมายแง่หนึ่งของสติด้วยและความหมายในแง่นี้จะพบใช้ในที่หลายแห่งเช่นในคําว่าพุทธานุสติเป็นตน้นแต่ในความหมายที่แท้เช่นที่กล่าวถึงณที่นี้มุ่งความหมายตามคำอธิบายข้างตน้นซึ่งใกล้เคียงกับที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า มายเฟินเนสมีคำเปรียบเทียบสติว่าเหมือนเสาหลักเพราะปักแน่นในอารมณ์หรือเหมือนนายประตูเพราะเฝ้าอายตนะต่างๆที่เป็นทางรับอารมณ์ตรวจดูอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาประทัดฐานหรือเหตุใกล้ชิดที่จะให้เกิดสติก็คือสัญญาที่มั่นคงหรือการกําหนดหมายที่มั่นคง หรือสติปัฏฐานชนิดต่างๆที่จะกล่าวต่อไปพิจารณาในแง่จริยธรรมจะมองเห็นการปฏิบัติหน้าที่ของสติได้ทั้งในแง่ปฏิเสธและแง่อนุมัติคือทั้งในแง่เนกาทีฟและในแง่โพซิทีฟในแง่ปฏิเสธหรือในแง่เนกาทีฟสติเป็นตัวป้องกันยับยั้งจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้ก้าวพลาด ไม่ให้ถลําลงในธรรมที่ไม่พึงประสงค์ไม่ยอมให้ความชั่วได้โอกาสเกิดขึ้นในจิตและไม่ยอมให้ใช้ความคิดผิดทางในทางอนุมัติหรือในแง่ positive สติเป็นตัวควบคุมตรวจตรากระแสการรับรู้ความนึกคิดและพฤติกรรมทุกอย่างให้อยู่ในแนวทางที่ต้องการคอยกำกับจิตไว้กับอารมณ์ที่ต้องการและจึงเป็นเครื่องมือสาหรับยึด หรือเกาะกลุ่มอารมณ์อย่างใดอย่างใดดุดเอาวางไว้ข้างหน้าจิตเพื่อพิจารณาจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปในทางปฏิบัติของพุทธธรรมเน้นความสำคัญของสติมากอย่างที่กล่าวว่าสติจำปรารถนาคือต้องนำมาใช้ในกรณีทั้งปวงและเพรียสติเหมือนเกลือที่ต้องใช้ในกับข้าวทุกอย่างและเหมือนนายกรัฐมนตรี เกี่ยวข้องในราชการทุกอย่างเป็นทั้งตัวการเหนี่ยวรั้งปรามจิตและหนุนประคองจิตตามควรแก่กรณีเมื่อนำลักษณะการทำหน้าที่ของสติที่กล่าวแล้วนั้นมาพิจารณาประกอบจะมองเห็นประโยชน์ที่มุ่งหมายของการปฏิบัติฝึกฝนในเรื่องสติดังนี้ 1. ควบคุมรักษาสภาพจิตให้อยู่ในภาวะที่ต้องการโดยตรวตรากระบวนการรับรู้ และกระแสะความคิดเลือกรับสิ่งที่ต้องการกันออกไปซึ่งสิ่งที่ไม่ต้องการตรึงกระแสะความคิดให้นิ่งเข้าที่และทำให้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายสองทำให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าเป็นตัวของตัวเองเพราะมีความโปร่งเบาผ่อนคลายเป็นสุขโดยสภาพของมันเอง พร้อมที่จะเผชิญความเป็นไปต่างๆและจัดการกับสิ่งทั้งหลายในโลกอย่างได้ผลดี 3. ในภาวะจิตที่เป็นสมาธิอาจใช้สติเหนี่ยวนํากระบวนการรับรู้และกระแสความคิดทำขอบเขตการรับรู้และความคิดให้ขยายออกไปโดยมิติต่างๆหรือให้เป็นไปต่างๆได้ 4. โดยการยึด หรือจับเอาอารมณ์ที่เป็นวัตถุแห่งการพิจารณาวางไว้ต่อหน้าจึงทำให้การพิจารณาสืบค้นด้วยปัญญาดำเนินไปได้ชัดเจนเต็เตมที่เท่ากับเป็นฐานในการสร้างเสริมปัญญาให้เจริญบริบูรณ์ชําชำระพฤติกรรมต่างๆทุกอย่างทั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมให้บริสุทธิ์อิสระไม่เกลือกล้ว หรือเป็นไปด้วยอำนาจปัญหาอุปาทานและร่วมกับสัมปชัญญะทำให้พฤติกรรมเหล่านั้นเป็นไปด้วยปัญญาหรือเหตุผลบริสุทธิ์ล้วนประโยชน์ข้อที่4และ5นั้นนับว่าเป็นจุดหมายขั้นสูงและเข้าถึงได้ด้วยวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้เป็นพิเศษซึ่งตามคำจำกัดความในข้อสั ม, มาสตินี้ก็ได้แก่สติปฐานสี่